มีเรื่องเล่าว่าพระองค์หนึ่งพายเรือไปท่านต้องการจะหยุดเรือก็เหนี่ยวใบตะไคร้น้าใบมันขาดก็เป็นอาบัติปาจิตตีบังเอิญท่านไม่ได้ทำคืนอยู่ป่าไม่มีภิกษุที่จะปรงอาบัติพอท่านจะตายก็เกิดร้อนใจคิดว่าเราไม่ได้โปรงอาบัติไม่บริสุทธิ์รู้สึกเหมือนใบตะไคร้น้ำมาพ่านคออยู่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 บลาลังเวลาสมุดดัษสะดวงจันทร์ก็มีกำลังดวงอาทิตย์ก็มีกำลังสมณพราหมณ์ก็มีกำลังฝั่งมหาสมุทรก็มีกำลังแต่ว่าบลาลติบาลมิทธิโยสตรีมีกำลังมากกว่านั้นจงดูเถิดดูนางจันทวดีราชธิดาสามารถนำเอาโรมัสกัสปะฤศีผู้มีตบบะกล้ามาได้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 เบ้นขาดจากการสแสวงหาปัจจัยมาเลี้ยงชีพด้วยวิธีที่ไม่สมควรทุกอย่างอนนสนาคืออย่างไรคือการเรียบเคียงการสแสวงหาโดยไม่ชอบทำไม่เหมาะกับความเป็นบรรพชิตสมมุติเจ้าอาวาสเอาเงินวัดไปทำคอนโดเก็บค่าเช่าเข้าวัดอันนี้ควรให้กรรมการวัดทำไม่ใช่พระทำเพราะมันจะเสียไปหมดอินทรียสังวรเสีย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 อนาพิชชาไม่โลภอยากได้ของคนอื่นอาพยาบาทไม่ปองร้ายสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบถ้าเอากุศลกรรมมาบทมาตั้งข้อ 1-7 ถึงก็เป็นเจตนาศีลข้อ 8-10 ถึงเป็นเจตสิกศีลศีลทางใจสังวโรศีลังสังวรศีลอันนี้ท่านหมายถึงสังวรห้าก็คือ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 ตายแล้วไปเกิดเป็นเทพปรปุตชื่อโคสกะเท พ, พบุตเสียงดังมากเพราะอา น, นิสงฆ์ที่เห่าพระปจเจ ก, กับพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นสุนักเห่านี่คือเห่าด้วยความรักตอนไปรับพระปจเจ ก, กับพุทธเจ้าก็เห่าขึ้นสามครั้งตรงไหนที่กลัวว่าจะมีสัตว์ร้ายมันก็เห่าขึ้นเพื่อจะไล่สัตว์ร้าย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 ส่วนโคสกะจุติเพราะอดอาหารเพราะเพลิดเพลินการมาคูณมากเกินไปเมื่อมาเกิดในโลกมนุษย์ก็มาเกิดในกรุงโกสัมพีเกิดในท้องของหญิงโสเพณีโคสกะถูกทิ้งถึงเจดครั้งครั้งที่หนึ่งแม่ทิ้งเองเพราะอากุศลกรรมหรือบาปที่ได้ทำไว้สมัยเป็นโกตุหลิกทิ้งลูก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 มีโคที่นำเกวียนเล่มแรกมันก็ยืนครอมเด็กไม่ยอมขยับขยื่นในกองเกวียนก็ไปดูพบเด็กก็รับเด็กเอาไปเลี้ยงกาลีก็ตามไปซื้อกลับมาทีนี้ก็เอาไปไว้ป่าช้าผีดิบคิดว่าสุนัขหรืออามมนุษย์ก็คงทำร้ายเด็กก็มีแม่แพ้มายืนครอมให้กินนมคนเลี้ยงแพ้มาเห็นข้าวก็รับเอาไปเลี้ยงกาลีไปซื้อมาใหม่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 พระภิกษุกอต้องการไปขโมยบาทภิกษุขอเปิดประตูเข้าไปต้องการจะขโมยบาตรพอได้ยินเสียงเปิดประตูภิกษุขรรยองขึ้นมาว่าโกเอโศไรนั่นภิกษุกอก็หนีไปเธอเป็นอาบัติประราชิกไปแล้วอันนี้ยังรักไม่ได้ท่านปรับเป็นอาบัติประราชิกไปอันนี้เกินไปยังไม่ครบอง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 คุณสมบัติของผู้เผยแผ่าศาสนาข้อต่อไปคือข้อสมัตัญญุตามัตัญญุตาจะพัตนสมิงความรู้จักประมาณในโภชนะที่เรียกกันทั่วไปว่าโภชเนะมัตัญญุตาหลักก็มีในอปันนากาศสูตรที่เรียกว่าอปันนากาศปฏิปทาให้ถือตามหลักนั้นไว้่อน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 ตามพระพุทธพจน์ที่ตรัสกับพระเจ้าปเสนที่โกศนที่ว่ามนุษย์ชัดสะสดาสติมัตโตมนุษย์ที่มีสติทุกเมือ่อมัดตังชาณโตลัทธะโพชนีรู้จักประมาณในโพชนาที่ได้แล้วตนุกัตสะพวันติเวทนาเวทนาของผู้นั้นมีน้อยสันิ ก, กังชีรติอายุปาลยัง